อนุวาธาธิ่ก่อการโจ์เป็นอนุวาธาธิ่ก่อนการโจ์ไม่เป็นอธิกรอธิกรไม่เป็นการโจ์เป็นอธิกรด้วยเป็นการโจ์ด้วยหรือการโจ์เป็นอนุวาธาธิกรก็มีการโจ์ไม่เป็นอธิกรก็มีอธิกรไม่เป็นการโจ์ก็มี เป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นการโจ์ด้วยก็มีบรรดาการโจ์นั้นการโจท์ที่เป็นอนุวาธาธิกรเป็นฉไนภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายย่อมโจดภิกษุด้วยศีลวิบัติอาจารวิบัติทิฏฐิวิบัติหรืออาชีววิบัติการโจ์การกล่าวหาการฟ้องร้องการประท้วง ความเป็นผู้คล้อยตามการทำความอุสาหะโย์การตามเพิ่มกาลังให้ในเรื่องนั้นใดนี้ชื่อว่าการโย์เป็นอนุวาธาธิก่อนบรรดาการโย์นั้นการโย์ที่ไม่เป็นอธิกรเป็นชะไหนมารดากล่าวหาบุตรบ้างบุตรกล่าวหามารดาบ้างบิดากล่าวหาบุตรบ้าง บุตรกล่าวหาบิดาบ้างพี่ชายกล่าวหาน้องชายบ้างพี่ชายกล่าวหาน้องหญิงบ้างน้องหญิงกล่าวหาพี่ชายบ้างสหายกล่าวหาสหายบ้างนี้ชื่อว่าการโจดไม่เป็นอธิกรบรรดาอธิกรนั้นอธิกรที่ไม่เป็นการโจดเป็นฉไนอาปัตตาธิกร กิจจาทิกรวิวาธาทิกรนี้ชื่อว่าอธิกรไม่เป็นการโจ์บรรดาอธิกรนั้นอธิกรที่เป็นอธิกรด้วยเป็นการโจ์ด้วยเป็นชไหนอนุวาธาทิกรเป็นอธิกรด้วยเป็นการโจ์ด้วย